ก้อนโมธนาสาธุการและท่านสาุชนทั้งหลายการมรยายประสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องโยธะสูตรโดยบางแห่งเรียกว่าโยธะชีวะสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยนกักรบเป็นพระธรรมเทศนาที่พระเจ้าทรงอาศัยสิ่งต่างๆที่มีอยู่เป็นอยู่แล้ว มันเป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะเชนที่เคยบอกไว้หลายครั้งแล้ ว, ว่าสิ่งที่นำมาสั่งสอนนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วเรียกว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาบางครั้งก็ไม่ต้องปรับสอนอะไรเพียงแต่ว่านำเรื่องเหล่านั้นมาชี้แจงมาอธิบาย คนก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจในเองความแก่ความเจ็บความตายการระพรักมาสอนพ ว, สพวกสิ่งเหล่านี้ผม อ, อธิบายไปมันก็ได้ประโยชน์ในขณะนั้นแต่บางอย่างเป็นเรื่องที่ใช้ชในสถานะอื่นแล้วก็นำมาสอนในการประพฤติปฏิบัติธรรมะของอุตตบริสัททัทางหลายประศุนนี้ก็จะมีลักษณะอย่างนั้น แต่ทรงแสดงคุณสมบัติของนักรบคือทหารสมัยนั้นเขาเรียกว่าโยทะหรือโยธาชีวะแปลวพวกผู้เลี้ยงชีพโดยงานงานรบหรือดย ก, การรบคุณสมบัติของทหารที่จะประสบความสมเร็จในการรบนั้นก็ทรงแสดงไว้เป็นสีข้อใหญ่ๆด้วยกันข้อแรกเรียกว่าฐานะกุศโลเจโหติ คือเป็นผู้ฉลาดในเัยภูมิมีใจยภูมิเหนือกว่าขัตศึกการรบในยุคสมัยนั้นเรื่องชัยภูมิเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่เพราะนถ้าใครมีชชยภูมิเหนือกว่ามันก็สามารถจะเอาชนะขัตศึกได้หรือบางครั้งพิกแพลงด้นเัยภูมิเช่นบรรเลงสวนรบที่เมืองคังเราจะเห็นว่าชยภูมิก็สีเปรียบ แต่วก็พลิความเชืเปรียบเป็นความได้เปรียบในการรบหลอกล่อกะระคาใจตีข้างหน้าแต่จริงก็ตีข้างหลังนั่นก็แสดงเห็นว่าทรงใช้เชยภูมิไม่เกิดประโยชน์คือฉลาดเลือกเฉยภูมิที่จะต่อสู้ประการที่สองนั้นคือนุเรปาตียิงได้ไกล ก็เป็นเป็นเป็นเป็นการใช้อาวุธที่ค่อนข้างจะทุนแรงคือยิงได้ไกลอในปัจจุบันเรียวขีปนาวุธคือข้ามทวีปไปแล้วแต่สมัยก่อนก็ก็ยิงได้ไกลนะที่ตอนพระเจ้าชาติยุทธะซ้อมไอแข่งประลองอาวุธตอนยิงธนูนะมบอกว่ายิงได้ตั้งหนึ่งโยนแสดงยิงได้ไกลมาก แต่ก็กรกอบด้วยบุญญาธิการส่วนใหญ่มันก็คงไม่ไกลขนาดนั้นแต่ปรงสามารถยิงได้ไกลถึงหนึ่งโยชน์บอค่าศึกมันก็ไม่ประชิดตัวคือทำลายนั้ตั้งแต่ต้นตัวเองก็ปลอดภัยความสูญเสียก็น้อยแล้วก็สามยิงได้ไหวหมายความป ร, ประสิทธิภาพในการยิงนั้นยิงได้ไหวมาก จะไปยิงลูกศรยิงธนูอะไรต่อะไรก็่างมัยิงได้ไวอย่างในปัจจุบันนี่ไม่ต้องพูดถึงยิงไวนับไม่ทันอะไรกั น, นก็สแาาาาสดงว่ายุทธศาสตร์อยู่ตัวจีตรงนี้ก็คงนํามาใช้อยู่ในปัจจุบันในโครงสร้างเดิมและที่สำคัญอย่างยิ่งคือทําลายก็ค่าศึกคุ้มกําลังค่าศึกได้ยในสมัยโบราณจุดสําคัญอยู่ตรงไหน ก, ก็ก็จัดการตรงนั้น เรื่องการจับตัวแม่ทัพกัสสุหรือพร ะ, ะเสสนเรศวรทรงข่าพระมาอปราชาได้ของทัพพมากก่าก็แตกนี้ก็คือแนวที่มีการศึกษามีการทำกันดูในสมัยนั้นแล้วก็นํามาใช้สอนในการต่อสู้กับกิเลสภายในใจคือสงครามในศาสนาพุทธนั้นคือสงครามกับตัวเองเป็นการรบ กับกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในซึ่บางครั้งทรงใช้อุปมาร่างกายเราเหมือนกับนครนคร ห, หนึ่งคล้ายๆกับเมืองเมืองหนึ่งนะี่ยสิ่งที่เราจะต้องต่อสู้มาฆ่าศึกนั้นมันผ่านมาทางประตูทั้งห้าทั้งหคือตาหูจมูกลิ้นกายในส่วนใดที่เราป้องกันได้เราป้องกันไม่ได้ฆ่าศึกเมื่เข้ามาสู่เมือง ใจเราก็สงบอยู่นั่นก็คือแนวอินทสียสงรการสำรวมระวางอินทรียแม้เกิดความยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปไปตาเป็นตน้นแต่บางทีข้าศึกมันก็อยู่ภายในมันก็ต้องพยายามขาจัดข้าศึกตรง น, นั้นออกไปเราก็เสริมสร้างความมั่นคงความแข็งแกรงอาวุธที่รบมากที่สุดก็คือใช้ปัญญาเรียกปัญญาวุธคือใช้อาวุธคือปัญญา อยแยกความเป็นมิตรเพื่อ ม, มันเป็นศัตรูคือลักษณะของอารมณ์เราจะเห็นว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจเรานั้นบางทีมันเกื้อกูลบางทีมันก็เป็นศัตรูแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าความคิดคล้ายๆจะเป็นมิตรแต่ที่จริงมันเป็นศัตรูเป็นลักษณะความคิดของมารหรือของกิเลสจะทรงใช้คำว่าตัณหาคือชับป่าคือผู้กระซิบใจ ให้เราสังเกตว่าเวลาเราจะต้องการทำความดีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาขัดขวางแล้วออกมาในรูปมิตรมีลักษณะเอื้อทอนห่วงใยปรารถนาดีมุ่งดีไม่เราเหนื่อยยากลาบากเดือดร้อนต้องเดินทางต้องนั่งเมื่อยลังกบลังแข็งจะมีการอธิบายชี้แจงบริประการต่างๆถ้าเราอ่อนไว้ไปตามเราก็แพ้แพ้ตอนาจของขา ลักษณะเหล่านี้ให้ลองสังเกตว่าที่พญามารมาประจุพระพุทธเจ้าเนี่ยคือมาในรูปมิตรนะมาในรูปมิตรปรารถนาดีหวังดีอย่าออกบวดเดิมอีกเจ็ดวันก็จะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิแล้วจะมีมาสมุทรากอนทั้งสี่บนขอบเขตยิ่งใหญ่เนือกษัตริย์ทั้งหลายโอ้ โ, อโอลงปฏิโลมด้วยผลประโยชน์ต่างๆทั้งลาบยศสรรเสริญสุข มายความถ้าประทายอ่อนไหวมันก็กลับกลับมันก็จบคือโลกไม่มีพระพุทธเจ้าพระุเจ้าก็ไม่ทรงอ่อนไหวไปตามคำพูดลนนักษณะอรม์ปฏิลบลอดนั้นหรือผลประโยชน์ที่มาล่อให้ในสุดพระองค์ก็ประสบค์ชัยนะหรือมารที่มาประจนก่อนแัสรู้ก็มีลักษณะอย่างนั้นคือมาในรูปมิตรส่วนใหญ่มารมันจะมาในรูปมิตร ไม่ได้มาในรูปของศัตรูเพราะทศูนย์มัเห็นชัดเกินไปแต่ธรรมะโดยซ้ำมาในรูปของแค่แค่ศัตรูที่โลก น, นี้ท่านบอกว่าความเพียรเป็นอริแล้วเป็นมิตรคือความเพียร น, นั้นเป็นศัตรูแต่ว่ากลับเป็นมิตรทีหลังมันทำให้เราเหนื่อยยากลําบากอดตาลับกับตานอนต้องอดกั้นอดทนรอความเหนื่อยยากลําบากรักกรรมต่างๆคล้ายๆก็มันมาเป็นศัตรูให้แกเรา แต่จริงๆเขาเป็นมิตรแต่ปรากฏ ร, รูปใใคล้ายๆศัตรูผู้เจ้าเองก็ประสบตรงนี้เราจะเห็นว่าว่าเล่นทรมานร่างกายกันเกือบเป็นเกือบตายแล้วดูแล้วคล้ายๆศัตรูแต่จริงๆก็คือเป็นมิตรเพรา ะ, ะนั้นถ้าการวินิจฉัยตัดสินเอาเฉพาะหน้าไม่พิจารณารอบครอบแล้วก็จะหลงทางคือแยกแยกมิตรแยกศัตรูไม่ออกจะมองศัตรูเป็นมิตรจะมองมิตรเป็นศัตรู เพราะว่าคนเป็นมิตรนั้นคล้ายๆกับเพื่อนฝูงกันเนี่ยจะมีห้ามปรามตักเตือนบอกกล่าวชี้แนะบางครั้งอาจจะห้ามปรามไมู่ฟังถึงลงไม้ลงมืออะไรต่างๆกันเนี่ยคล้ายๆอย่าเป็นศัตรูแต่จริงแล้วเป็นการกระทําของมิตรมุ่งอนุเคราะห์เกื้อกูลเพราะแนวของมิตรที่พระเจ้าทรงอุปมาเหมือนช่างเหล็กตีเหล็กสร้างไม้ถากไม้เนี่ยคือเราเห็นนักชั้นวรรตตีเอาตีเอาเมือนคล้ายๆจะเอาให้ตาย แต่เระกอบเป็นการเสริมค่าของเหล็กการบัดในกุศลและธรรมจะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นปัญญาท่านจึงเรียกว่าปัญญาวุธคือชาอุธคือปัญญาในการรบทีนี้พอทรงปรับอยุทธศาสตร์ยุทธิทรงนั้นมาใช้เป็นเครื่องมือในการสอนฐานาะกุศโลเจโฝติเป็นผู้ฉลาดในเฉยภูมิ เฉยภูมของคนเราก็แค่การทำเลที่ธุราค้าขายดีนะแต่การรบมันก็อยู่ในเฉยภูมิเราเห็นว่าที่เราพ่ายแพ้ด้วยประการทั้งปวงก็คือรูปมิคสัญญีมากว่ามาถ้าลงลุยแบบมิคสัญญีแล้วก็ก็เสร็จแล้วก็แพ้การปล่อยกายปล่อยใจไปตามอนาจของลมแล้วก็มีการ ด, าด่าต่อประหารตอ่อประทุษร้ายตอบ คือผู้คนจะลาจนนะครับผู้มิกสันดีทั้งหลายแบบจะลาจนไม่ได้มองถึงภัยถึงอันตรายขาดสติขาดปัญญาขาดความรอบคอบไม่ได้มีการมองเหตุมองผลปฏิบัติการรุนแรงต่างก็เกิดขึ้นแล้วจะมีการตายกันเกลื่อนกลาดไปหมดเลยนั้นแสดงว่าเสียชัยภูมิ แล้วก็นำตัวเองก็สู่อันตรายลักษณะของการสาดโครนใส่กันนะฮะไม่มีใครไม่เพื้อนเนาะเพราะลักษณะของใจเยภูมิทั้งก็หมายถึงการตั้งมั่นอยู่ในศีลศีลเป็นอาการของกายวิจารที่ควบคุมไว้ได้ก็เรียกกายปกติวิจาปกติมีการงดเว้นมีการสำรวมระวังมีการไม่ละเมิด จนแม้จะถูกกระทบกระแทกจากข้างนอกก็รักษาป ก, าปกาปติภาพเหล่านั้นเอาไว้ได้พอถึงเรื่องเงิศีลก็อย่างที่บอกไว้ตลอดอนะฮะว่าศีลที่จริงก็คือเรื่องเงศีลห้แล้วก็โรคทั้งปวงที่จริงแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในเรื่องของศีลห้าเงินศีลห้าเป็นเรื่องของชีวิตกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตโรคทั้งปวงมันคือเรื่องชีวิตกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิต มันก็มีสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต ร, ระดับศีลเป็นบทบัญญัติที่ค่อนข้างมีการตรวจสอบหมายความว่าเมื่อมีการละเมิดศีลเนี่ยสังคมจะพิพากษาด้วยเพราะลักษณะของศีลเป็นความผิดสกากลไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาอะไรนะฮะ การคามการฆ่าการการลักาการก า, การเปลี่ผิดเป็นการการพูดเท็จเป็นความผิดสาคุณทั่วโลกเพราะนั้นเวลามีใครทำเข้ามาในสังคมจะถูกกระทบสังคมจะมีการวิพากษาจะมีการขัดขวางแล้วก็เป็นอาญาจของบ้านเมืองเป็นอาญาจรของแผ่นดินหมดทั้งโลกโดยเฉาะศีลทั้งประการนั้นเป็นอาจาจักรของแผ่นดินทั้งหมด วันถ้าคนละเมิดศีลก็ชื่อว่าเสียฐานเชพูนก็คือฐานนั่นเองจะอยู่โดยปกติสุขไม่ได้มันต้องไปอยู่อีกตางหากนะเราจะเห็นว่าคนคนที่ผิดศีลก็อยู่ในคุกผิดศีลดังแรงจับได้ไล่ทันก็ถูกจับกุ่มคุมขังไปลองถามดูพวกพวกในคุกไหนก็ได้นะผิดศีลหข้อทั้งนั้นนะ่ะข้อใดข้อหนึ่งหรืออาจจะหลายข้อนะแต่ไม่มีคนมีศีลแล้วก็ไปติดคุก เพราะการมีศีลทีนี้ศีลที่ชื่อว่ามั่นคงนั้นก็อยู่ที่เป็นเชภูมิที่มั่นคงก็คือมีการสํารวมระวังที่เข้มแข็งมากพอเพราะตามปกติแล้วที่เรารู้สึกเราสํารวมระวังศีลได้มันไม่มีอารมณ์นั้นเองมันไม่มีอะไรตัวมากับแค่แรงๆเราก็นึกว่าเรารักษาศีลได้ แลยยลืมอย่าลื ม, มาการปฏิบัติธรรมะแม้ระดับสมาธิเองก็เถอะถ้าโดนกระแทกแรงๆก็อยู่ไม่ทลายเหลือไม่ทลายเราเพียงแต่เราไม่มีตัวกระแทกแรงๆเพราะในการปฏิบัติยุค ก, ก่อนพุทธสมัยพวกฤษีชีพรายเวลาท่านเจริญสมาธิต้องเข้าอยู่ป่าอยู่ป่ามันก็ไม่มีอะไรกระแทกกันนะฮะไม่มีรูปสวยๆไม่มีเสียงไพเราะไม่มีกลิ่นหอมๆไม่มีรสอร่อยๆมายุยูน ไม่มีสัมผัสตี่น่าจับนันต้องมายุ่ยย่นท่านนั้นก็อยู่กันทันได้แต่พรุษีออกจากป่าแล้วก็เหลือกลับเข้าป่าอีกไม่เท่าไรแล้วตกอยู่ข้างในเมืองอีกเยอะเลยไอ้นี่ก็คือก็คือลักษณะของการต่อสู้กันภายในจิตใจของคนเราต่อสู้กันเฉพาะภายในมันไม่แปลกเช่นสมมติเราจะข่ม จะคงความโกรธคมความอยากโดยไม่มีการยั่วจากข้างนอกเนี่ยมันไม่ค่อยแปลกหรอกประดีก็นั่งนั่งจะพักกค็คงใจได้แล้วแต่ถ้าเขายั่วอยู่เรื่อยๆเนี่ยเขาด่าเอาด่าเอาเราก็นั่งคมใจเนี่ยมันไม่ไหวอ่วนะถ้าไม่แน่จริงก็งเอาไม่อยู่เหมือนกันเพราะการการต่อสู้กับอำนาจของกิเลสอำนาจของขอารมณ์ที่มีตัวยั่วอยู่ข้างนอกนะฮะมีตัวยวั่วตัวยุนะเรียกว่ายัยว่วยุกนะทั้งยั่วทั้งยุกนะจะยั่วก็ตามก็เรียกว่ายั่วยวดยั่วยุ ยัวยวนก็เพิ่มราคาเพิ่มโลภะเพิ่มความปรารถนาเพิ่มตันหายัวยุก็เพิ่มโทสะเพิ่มความไม่พอใจเพิ่มความอาคตาพยาบาทใจมันอ่อนไหวจเราอ่อนไหวเรื่องหน้าความรักความชังอยู่แล้วพผลการรักษาศีลที่จริงท่านปรับให้ประณีตขึ้นไปโดยเป็นศีลอะไรมากมายหลายกอง น, นะครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่จิตตัวเดียว นับเท่าไรก็ได้นะสแควร์มารวมอยู่ที่จิตอย่างเดียวสํารวมอยู่ที่จิตอย่างเดียวเวลาพระเจ้าทรงสแสดงศีลของพระศีลของพระเราพูดทั้งหมด227ข้อนะฮะแล้วก็ถนับในพระไตรปิฎกจริงๆมีประมาณ 2,800 กว่าข้อด้วยทำไปแต่จริงๆไม่หรอกนับไปอย่างนั้นเองเป็นอาการปรากฏที่จะต้องสํารวมระวังเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น แต่ถ้าท่านํำรวจระวังเข้าถึงใจแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจข้างนอกการเคลื่อนไหวทั้งหมดของท่านก็จะเป็นศีลไปเองเรียกเป็นศีลไปโดยอันตโนมัติเพราะในการปฏิบัติของศีลนี่ถือว่าหนักแน่นเป็นชัยภูมิจริงๆจะเรียกว้าสามระดับนะฮะระดับหนึ่งก็คือว่ามีการสมาทานมีการรับศีลในรูปแบบที่เราทำเนี่ย ไอ้ที่จริงมันค่อนข้างเป็นาศาสนพิธีเพราะว่าไม่มีใครไปตามควบคุมใครรับศีนไปแล้วก็เฉยต่างคนต่างก็รับไปเราเห็นภาพชัดเจนในงานพิธีกรรมทั้งหลายรับสินเสร็จก็นั่งดื่มเหล้ากันตรงนั้นแหละไม่ได้ยายทีอะไรเลยก็แสดงว่ามันมันเป็นพิธีกรรมไปรูปแบบเฉยๆไม่ได้เน้นหนักอะไรไม่ได้อาศัยจิตสํานึกที่เป็นเป็นก ฎ, เ ป, นกฎเป็นเกณฑ์อะไรแล้วพิธีของรูปาศาสนพิธีรเราเห็นว่าจะมีคนรัตนาศีลคนเดียวเอง แล้วคนอื่นก็รับบ้างไม่รับบ้างนะนั่งทําปากพุ่ไม่บ้างมันก็นั่งเฉยๆบ้างแล้วหลังจากนั้นในการสำรวจระหว่างมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเพราะความเปลี่ยนแปลงถ้าเรามองดูว่าถ้าคนรับสีในงานศพงานใหญ่ทีทั้งคนเป็นพันๆเป็นหมื่นนะรับสีนะ ค, คนดีกงเยอะเลยการบเบียดเบียนคนลดลงไปเยอะแต่ อ, อาจ ร, จริงๆเราก็ไม่เคยตั้งใจอะไรกันเท่าไหร่หรอกมันค่อนข้างไปตั้งสารานพิจีตรไม่ได้เกิดขึ้นอย่างจิงสํานึกอิรักเบื้องที่เรียกว่าสัมปัตตวิรัต มันมองเห็นปัญหากรแทกอารมณ์ในขณะนั้นแล้วก็มองเห็นบาปบุญคุณโทษในขณะนั้นแล้วก็หยุดตัวเองได้ในขณะนั้นไอ้นี่เก่งกว่าเยอะแต่เห็นว่าก็แกล้งกว่าเยอะมันมีตัวกระแทกแล้วเลยทำไปแต่ว่าสำรวมระวังใจไว้มองเห็นบาปบุญคุณโทษแล้วก็หยุดตัวเองไม่เคยสมาทานสีเอเป็นทองก็วางไว้เยอะแต่ก็ไม่หลักเห็นสัตว์ที่จะฆ่าก็ไม่ฆ่า เห็นมีอะไรยั่วยุยั่วยวนที่น่าจะร่่งแล้วเมื่อศีลก็ไม่ทำมันเกิดจิตสำนึกเป็นมโนธรรมสูงกว่าประเภทแรกนะแต่ตรงนี้ปัญหาว่ากระแทกแรงหรือกระแทกไม่แรงแต่กระแทกแรงเอาอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็อยู่ที่ตัวกระแทกระดับสามนั้นคือแน่นอนเขาเรียกว่าสมุทเฉทวิรัตตัดขาด ตัขาดปะตัดขาดระดับในตัดขาดหมดแบบพระรยะบุคคลระดับโสดาบันขึ้นไปแต่เราไ ม, ไม่ไม่มีโอกาสตัดขาดหมดนะนะพระโสดาบันเอาตายท่านก็ไม่ละมิดสีนี่นะะก็ครูจะฆ่าให้ตายจะให้ท่านละมิดสีท้าไมละมิดแล้วตั้งแต่นั้นขึ้นไปจึงจะอยู่ระดับที่เรียกว่าโยกคลอยไม่หวั่นไหวเพราะท่านจะไม่ย้อนกลับมาสู่สิ่งที่ท่านละได้อีกต่อไปซึงพี่กสามันชนสามันชนมันก็ ก็ไม่แน่ครับแปรไปแปรมา ข, ขึ้นขึ้นลงลงนะขึ้นขึ้ น, นลงลงเขาเรียกว่ายังไม่ตั้งมั่นดีเพียงแต่ว่าถ้ากระแทกไม่มากมันก็ไม่เป็นไรแต่เห็นว่าแนวของศีลบางอย่างนี้เห็นได้ชัดว่ามันก็ปิดกั้นไว้แต่นั้นเองปิดปิดกั้นตัวกระแทกปิดกั้นตัวกระแทกอารมณ์เพื่อไม่ต้องการให้มีการละเมิดศีลที่เป็นเนื้อหาของศีลจริงๆตรงนั้นที่จริงเป็นการป้องกันไว้เฉย อย่างนี้เคยยกตัวอย่างมาเีลข้อวิกาถึงอุจจาเนี่ยที่จริงมันเป็นป้องกันการละเมิดเสีลข้ออภรรมเฉยเพราะตรงนี้ไม่ได้บาปอะไรแต่ถ้าตรงนี้เป็นตัวกระตุ้นมันก็กระตุ้นการมาราคะขึ้นมาจากการบริโภคอาหารในเวลาบริโภคอาหารมากนะฮะแล้วก็มีตัวกระตุ้นจากการฟ้อนรํากับร้องดนตรีดนตสีที่เป่าต่างๆนั่งนอนเมื่อที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ก็กระตุ้นกระตุ้นเแล้วก็ไปละเมิดศสียนข้อที่สา พวกนี้จึงกลายเป็นองค์ประกอบไม่ใช่ตัวหลักเรียกปัจจัยเสริมนะค่าสนับสนุนว่าศีลพระจะมีลักษณะอย่างนั้นนะเป็นตัวกระตุน้นเอ่อเป็นตัวปิดกันกนนะดก้นตัวกระตุ้นนะปิดกั้นตัวกระตุ้นเอาไว้หนะลบไปอยู่ในป่าในถ้ำในเขาไม่ได้เทไรเนี่ยนะปิดกั้นตัวกระตุ้นไว้ซึ่งหมายความมาถ้ายังไม่ละได้ขาดมดเว้นได้ขาดโอกาสเสี่ยงมีเยอะ คนที่ออกบวชหรืออะไรก็ตามนะเราจะเห็นว่าที่สําเร็จผลจริงๆจะมีน้อยอยู่ระดับที่ตัดขาดจะมีน้อยแต่ถ้าตัดขาดแล้วก็เรียกว่าปั้นโครงนบจนมีความประณีตในแนวลึกแล้วก็แนวกว้างหมายความวาเรื่องเดียวกันเช่นเรื่องชีวิตเนี่ยเรื่องชีวิตนี่สมมุติว่ามันเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดแม้ทําให้เขาไม่พอใจก็เป็นบาตรเราก็มองเห็นว่าทําให้เขาไม่พอใจเราก็รู้สึก รู้สึกผิดรู้สึกบาตรอ่ะการละเมิดสิทธทิการกักขังการน่วงเหนียวการประทุสร้ายการกีดการการขัดขวางอะไรต่ออะไนี่รู้สึกประทุสร้ายต่อชีวิตทั้งหมดที่จึงคือชีวิตเพียงแต่ว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพนั้นเรามีจิตสํานึกลงงดเว้นเราไม่กระทำเราแสดงว่าศีลเมื่อเข้าถึงใจแล้วก็มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจมองเข้าใจ เพราะงันศีลสมบูรณ์โยมชาวบ้านเนี่ยก็จะพูดเฉพาะกายกับเฉพาะวาจาแต่ถ้าพระนี่เอาถึงใจนะฮะเอาถึงใจมองก็ด้วยความอาฆาตมาร้ายนี่ปรับอบัตินะนะชาวบ้านไม่ขาดศีลเนอะเพราะยังพูดว่าศีลระดับธรรมนากันเนอแต่พระมองก็ด้วยอาฆาตมาร้ายท่านปรับอบัตนะนั้นแสดงว่าศีลจึงเป็นชัยภูมิในหมายความไม่ชัยภูมิต้องหนักแน่นพอ สามารถเจียป้องกันป้องกันค่าศึกไม่ให้ตีได้ในรอบด้านนั่นนะฮะก็คล้ายๆกับที่ที่ว่าเมืองคังตะกี้เนี่ยดูแล้วคล้าจะตีข้างหน้าแต่กลับไปตีข้างหลังมันก็ข้างหลังก็ต้องตีไม่ได้โดยมาความแม้มีตัวกับแพกกับพันรุนแรงก็ไม่ยอมที่จะละเมิดศีลคือรักษาศีลที่ทรงอุปมาว่าเหมือนต้อนกนกนกต้อนติวิตรักษาฟองไข่ นกเจ้มารีรักษาขนหางของตัวเองท่านบอกว่าจ้ามารีเนี่ยเวลาแกวิ่งหนีอภัยอันตรายอะไรก็ตามถ้าหางแกไปเกี่ยวอะไรนี่ก็จะหยุดก็หยุดทันทีก็จะไม่วิ่งกลัวหางกลักวกขนหางจะขาดมันทนุถนอมขนหางขนาดนั้นแม้ชีวิตจะเสียก็ยอมนั้นก็การรักษาศีลส่งอุ ป, ปมาอย่างนั้นนกต่อยตีวิรักษาฟองไข่ ยอมตัวเองตายแต่ไม่ฟองไข่แตกทำลายก็สีลตรงนี้ที่จริงจะมีคนรักษายากมากยิ่งขึ้นนะฮะประการต่อไปนั้นก็ เ, เรียกว่าดูเรปฏีคือยิงได้ไกลเป็นการมองขันห้าในแนวที่มองไปไกลเห็นความจริงของขันห้าก้านาก็คือรูปได้แก่สิ่งที่เป็นรูปร่างกายของเรา เวทนาคือความรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีรู้สึกกลางๆนะฮะที่ความรู้สึกที่เรียกวความสวยอารมณ์สวยคือกินนะนะเป็นภาษาติชายติใจแต่แปลี่ยนมาความมาจินจิตมันกินอารมณ์กินสุข ก, กินทุกข์กินกลางๆแต่ตรงนี้ใช้ราชาศัพท์เลยราชาศัพท์มันมันคงแปลยากนะแปลยากโบราณนนะันใช้คำวาสวยอารมณ์หมายความว่าจิตกิน กินสุข s, Cheers, กินทุกข์จิตเขี้ยวกินสุกเขี้ยวกินทุกข์แล้วก็รู้สึกว่าทุกข์เป็นยังไงสุขเป็นยังไงหรือไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นยังไงเดี๋ยวอยากได้สุขแต่เอาก็จริงมันไม่ได้ ต, ต้องการจะขจัดทุกข์เอาก็จริงมันข จ, จัดไม่ได้แล้วเราก็ยึดติดในตัวของเวทนาตรงนั้นกลายเป็นเวทนานั้นเป็นของเราหรือว่าเราเป็นเวทนาหรือว่าเวทนาเป็นตัวเป็นตนของเราเราก็เดือดร้อนเพราะเวทนาตรงนั้น สัญญาความจําได้หมายรู้ได้แก่การจํารูปจําเสียงจำกลิ่นจํารสจำเย็นร้อนนอนแข็งแล้วก็จําอารมณ์สัญญาเองก็เหมือนกันเราอยากจําได้แต่ปรากฏว่าจําไม่ได้สิ่งที่ไม่น่าจําก็เกิดจําได้ก็มีปัญหาเรื่องความจํามาตลอดแล้วจนเดือดร้อนไปเพราะความจำเพราะเรารู้สึกว่าสัญญานั้นเป็นของเราหรือสัญญานั้นเป็นเราหรือสัญญานั้นเป็นตัวเป็นตนของเราสังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิต สังขารในขันห้านั้นไม่ได้หมายถึงสังขารขันนี้นะฮะสังขารนี้คือหมายรวมไปเลยสังขัรห้าก็เรียกว่าอุปทินกัสังขารอุปทินางกัสังขารสังขารมีใจครองไม่มีใจครองมันรวมหมดนะฮะรวมหมดเช่นคนเราเนี่ยเป็นสังขารที่มีใจครองในความเป็นคนเรานั่นเองพอแยกจิตออกก็กลายเป็นสังขารที่ไม่มีใจครองเพราะฉะนั้นคนคนพอแยกจิตออกก็เหมือนกับทอดไม้เหมือนกับเสาคอนกรีตเหมือนกับอะไรก็ธรรมดา เป็ีประกอบก็ดีน้ําลงไฟอากาศเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าไม่มีบินดาแต่นั้นนั่นคือสังขารโดยรวมหมาวามว่าในในตรงนั้นมันก็มีเรื่องรูปเวทนาสัา ญ, ญญาสังขารวิญญาณถ้าเรามีจิตนะฮะเพราะว่าเวทนาสั ญ, ญญาสังขารวิญญาณนั้นคือจิตโดยรวมนะฮะรูปก็คือรูปแต่ว่ารูปด้านเปส่วนประกอ บ, อบก็ดีนน้าลงไฟอากาศนี้ถ้าเรียกว่าสังขารโดยรวมจะสังขารในจิตสังขารในขันห้า 5, จึงไม่ได้หมายไม่ได้หมายอย่างนั้น หมายเอาเฉพาะความรู้สึกดีรู้สึกกุศลและกุศลที่มีอยู่ภายในจิตเราเจตเมตตาเนี่ยก็เป็นสังขารความริษยาเนี่ยก็เป็นสังขารความเพียรก็เป็นสังขารหิริก็เป็นสังขารไม่ละอายก็เป็นสังขารหมายความว่าคือกุศลและกุศล ค, คือกลางๆที่เกิดขึ้นภายในจิตปรุงแต่งจิตของเราให้เปลี่ยนแปลงไปตามเขา ที่ท่านอุปมาว่าจิตนั้นเป็นประพัดสอนเรืองแสงดูง่ายที่สุดจิตเหมือนน้ำจิตเหมือนน้าที่บริสุทธิ์ไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่จิตเปลี่ยนแปลงได้ตลอดโดยเอาน้ําอะไรใส่เข้าไปมันก็เปลี่ยนไปตามน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนได้ตลอดเอาสีอะไรใส่เข้าไปน้ํา ม, มันก็เปลี่นอย่างนั้นแต่จริงมันมันก็ไม่ใช่น้ําเพราะไม่ใช่น้ําเราจึงแยกสีออกจากน้ําได้เพราะกิเลสไม่ใช่จิตเราจึงแยกกิเลสออกจากจิตได้ กิเลสเป็นจิตเราก็ทาให้จิตบริสุทธิ์ไม่ได้เพราะมันเป็นสภาวะของมันแต่เพราะกิเลสกับจิตมันแยกตากะแยกตากาก่างหักจากกันเพียงแต่ว่ากิเลสมันเกิดขึ้นภายในจิตเรวครอบงำจิตมันควบคุมพฤติกรรมของจิตเองแคร์แๆร์แคร์แครกระ ร, ร่างทรงก็ระร่างทรงร่างทรงนั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวทรงเป็นเพียงร่างทรงแต่นั้นเด้งเพราะสิ่งที่ทรงออกไปเขาก็เป็นเขา ก็เป็นอย่างที่เขาเป็นแต่เขาเปลี่ยนเปลีป่ยนแปลงไปเพราะมีตัวเข้ามาสง่งเพราะงั้นสังขารจึงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตเราจึงเป็นอะไรไม่ได้อย่างจิตแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีการฝึกปลืออบรมเราจะเห็นว่าเราขจัดสังขารกลุ่มหนึ่งแล้วก็เหลือสังขารกลุ่มหนึ่งเอาไว้เพราะยะบุคคลที่ยิงท่านก็มีสังขาร น, น, น, นะนะเพียงแต่ ว, ว่าท่านทีก่กว่าโลกรุตระจิต พุทธเจ้าเองก็มีสังขารแต่ว่าสังขารที่เป็นกุศลลุน่นลุนสังขารที่เป็นกุศลลุน่นลุนเรียกว่าโลกุตระกุศลเชนมีเมตตาตลอดมีกรุณาตลอดมีปัญญาตลอดมีบริสุทธิ์ตลอดก็แสดงว่าเป็นตลอดได้ในขณะเดียวกันไปสังเกตว่าการปฏิบัติระดับที่เรามั่นคงในชัยภูมิอย่างที่เราไว้เนี่ยมันก็ทําให้เรามีศีลตลอด ดีสินตลอดได้นะก็แสดงว่าสังขารที่เป็นกุศลก็ปรุงจิตอยู่ได้ตลอดอย่างน้อยก็ไม่ถึงกับออกมาข้างนอกส่วนใจก็อาจจะยังไม่ถึงเนี่ยนะฮะเพราะว่ า, า จ, จริงๆฟ้อนค่อนข้างจะขุมก็ยากแล้ววิญญาณคือการรู้อารมณ์ที่ผ่านมาทางวระสาสัมผัสรู้รูปด้วยตาที่จะขู่วิญญาณเป็นต้นเราก็เรียกตามชื่อของประสาสัมผัสก็สุดแล้ววิญญาณมันก็มีอยู่ห ตามประสาทสัมผัสวิญยาณเหล่านี้ตามปกติแล้วเราเข้าใจว่าเที่ยงแท้แน่นอนเป็นของเราเป็นเราเป็นรัวตัวของเราจึงมีการทะนุถนอมบงแหนรักษาขันเราเดือดร้อนเพราะขันปรุงแต่งขันประคบประงมขันหึดอาดการเพราะขันสิ่งทั้งหลายนั้นเราสังเกตว่ากินอยู่ที่เป็นเรื่องของขันจริงกินอยู่เนี่เป็นเรื่องของขันปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินก็เป็นเรื่องของขันปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องก็เป็นเรื่องของขัน อันที่ต่อสู้ทางการเมืองที่จริงเป็นการต่อสู้เพื่อขันบนปลือขันประคับประคองขันรักษาขันโดยขันเหล่านี้เอาเข้อจริงมันก็ไม่ได้เป็นของเราจริงเราเดือดร้อนเพราะเขาแต่เขาก็ไม่เดือดร้อนกับเรานะเข า, เ, ขาเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นจะเรียกว่ทยถาปัจยามวัตันติสิ่งอะไรเป็นไปตามปัจจัยก็เป็นไปาตามตาปัจจัยของมัน ในขณะเดียวกันพระใจเราไปยึดเอาไว้ก็เพิ่มความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นอันมากที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในบทที่ราสวดนะฮะสวดเรื่องอริยสัจสวดเรื่องทุกขสัจสวดอย่างนี้ทุกที่อ่ะมันเป็นสูตรสังกิตนะปัญจุปารทานกันตาทุกขากร่าวโดยสรุปแล้วจิตยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกยึดมั่นยังไงยึดมั่นเราเป็นของเราถามมาทำไมยึดมั่นจะเป็นยังไงมามันก็ไม่เป็นอะไร มันก็เป็นอย่างที่มันเป็นใจเราก็คือเราเขาก็คือเขาเห็นไม้มพอแยกออกไปแล้วเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะจริงๆสังขารเหล่านั้นเขาก็เป็นอย่างที่เขาเปลี่ยนอย่างนั้นเองเพียงแต่ว่าสังขารใบที่เราไปยึดว่าเป็นของเราเราจะเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านั้นในขณะที่สิ่งเราลื่นก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกับสิ่งสิ่งที่เราไปยึดถือว่าเป็นของเรา เห็นได้ ว, ว่าทรงอ น, โน้นราไม่ไปยึดถือว่าเป็นของเราเราจึงไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่เราเดือดร้อนเพราะความแก่เพราะความตายเพราะการประปรายความพระปรายอยู่ทุกนาทีในโลกเนี้ยแต่จริงๆเราก็ไม่เดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนก็ข่าวคราวทั้งหลายเหล่านะั้นเพราะเลยเพราะเราไม่ไปยึดถือเราเป็นของเราอย่างที่พระเจ้าทรงเตือนนางวิสาขานี่คือชัดนะนะฮะเตือนนางวิสาขานี่ชัดมาก เราอย่าลืมว่านางวิสาขาเป็นเป็นพระยาบุคูลหลักโส์ระพัน ป, ปัญหาความโศกนี้มันมาจากกามราคะง่ายจากกรมราค า, าตราบโดยเรายัางละกิเลส ก, การมไม่ได้ในความโศกมันต้องเกิดเห็นไหมาการพลาดพลาดจากของเป็นที่รักต้องการอะไรไม่ได้ตามต้องการหรือสิ่งที่เราต้องการแต่มันเกิดไม่ได้เกิดความทุกข์ขึ้นหลานชายท่านตายแต่ร้องไห้หมกฝ้าพระพุทธเจ้า ผู้เจ้ารับสั่งว่าเธอต้องการจะมีหลานสักกี่คนแกมีหลานตั้งเท่าไหร่นะนาิสาขาเนี่ยมีอะไรละ่ะหลาน20สบลูกลูกยี่สิบหลานคนละยี่เป็นสี่รอนะมีหลานที่สี่รอยคนหลานเยอะเลยอยากจะให้หลานเนี่ยอยากให้คนในกรุงาสาวัตถีทั้งหมดเนี่เป็นหลานของท่านผู้เจ้าก็ถามรับสั่งถามแล้วในคนในสาวัตถีนี่ตายวันละกี่คน ตายเยอะอาจกกแปคนเก้คนสิบคนยี่สิบคนก็ตายกันเยอะตายทุกวันพระเจ้าบอกเอ้าถ้าอย่างงั้นเธอก็ต้องร้องให้ทุกวันน้นาตาเธอก็ไม่ต้องแข่งกันเข้าใจทันทีเลยนะพระสดาบาันเนี่ยพูดง่ายพูดง่ายหน่อยคือลืมคิดไปนะว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ร้องให้ตลอดวันมีคนตายทุกวันตายแล้วตาย อ, อีกก็นั่งต่อกันเราก็นั่งร้องให้อะไม่ต้องทํามากินอะไรเลยก็ร้องให้กัน แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่จิตเราเท่านั้นเองแต่เรารู้จักปล่อยตัวนั้นไปได้ความเดือดร้อนก็ก็ไม่มีทีนี้ปัญหาสําคัญว่าจิตใจที่มันไขว้ขวาเราปรารถนาสิ่งต่างๆในอนาคตอนาคตที่เยอะแยะที่เราปรารถนาเรนนี้เราจะเห็นว่าความคิดกระแสสังคมถูกปลุกเราเรื่องแข่งขันระดับโลกนะฮะถ้าแข่งจริงแล้วก็แล้วก็เสร็จอะ่ะมีปัญหาเยอะที่ตามมาเนี่ย คนคนจะถูกทิ้งปัญหาการว่างงานะนะฮะปัญหาการว่างงานปนัญหาต่างๆจะเกิดขึ้นอีกเยอะเพราะคนที่วิ่งเก่งๆมีไม่กี่คนอ่ะมีคนที่เลี้ยงไม่ทันกนดิ่ก็กลายเป็นสังคมคนยากจนจะเพิ่มขึ้นคนร่ารวยจะตั้งเป็นกลุ่มเป็นเครือเป็นรายการก็เล่นกันสนุกสนานอยู่ข้างบน คนจนๆก็จะถูกทอดทิ้งไปมันมันไม่ใช่ไปแข่งกับใครนะที่จริงเราต้องแข่งกันในตัวเราให้ได้ต้องเอาชนะความชั่วความโลภความอะไรต่ออะไรต่างๆให้ได้เนี่เป็นหลักไม่ใช่ไปแข่งเพิ่มวัตถุเพิ่มวัต ถ, ถุที่จริงทํำลายวัตถุคนเราไม่ไม่ไม่เคคิดที่จริงสามสิงทั้นหลายมันคิดง่ายๆนะคิดง่ายๆก็บอกโอ้ยยูุคาลิตาตินโตเรีวเราก็รู้ว่าโตเรียวคือกินมากมันคิดสูงง่ายๆแดงเองปลาดุกระเซียก็บอกโตเรียวโตเรีวคือกินมาก กินมากก็คือพ ร, พรากผลาญทรัพยากรธรรมชาติไปมากมันสูตรคิดง่ายๆธรรมดาธรรมาแต่ว่าคนไม่ได้มองถึงสิ่งที่ตัวเสียแต่มองถึงสิ่งที่ตัวได้บางทีสิ่งที่ได้ไม่คุ้มก็สิ่งที่เสียนั้นคือความคิดในการแข่งขันเพราะว่ามันจะเพิ่มกิเลสตั้งหลายตัวถ้าพ อ, พอแข่งขันกันมันจะมีการทําลายทรัพยากรทําลายคนทําลายโอกาสของคนอื่นเพราะกลัวคนอื่นจะแซงเข้ามาแข่งขันกับตัวเองมันจะมีปัญหาติดตามมาอีกเยอะ เพราะแนวของพระเจ้าจึงไม่มุ่งไปรบกับใครนะฮะมุ่งไปรบเอาชนะใจตัวเองถือว่า ah อัตตาเหวี่ยงตังสยโยชนะตนนั่นแหละเป็นสุดยอดของเขยชนะทั้งหลายดิการการที่เราไปมองสังขารในลักษณะว่าอนาคตต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นเนี่ยมันก็เพิ่มปัญหาต่างๆขึ้นมาเป็นอันมากเพราะฉะนั้นคำว่ายิงได้ไกลเนี่ยยิงได้ไกลก็คือว่ามองเห็นสังขารทั้งหลายเหล่านั้นแม้จะยัง ไม่ถึงก็แก่มากไปถึงก็เจ็บมากไปถึงก็ตายมากนะแนวปินหาปัจจุบันขนาดนี้ก็คือมองไกลไม่ค่อนจริงตอนนั้นเราก็ไม่แก่มากเท่าไหร่แล้วไม่แก่มากเท่าไหร่ไม่เจ็บมากเท่าไหร่หรือยังไม่ถึงก็จะตายแต่ว่าแน่นอนมันต้องเกิดขึ้นเกิดขึ้นสังขารร่างกายความเติดเกิดดับจะมีเมื่อไร่เนี่ยไม่มีใครรู้ได้เพราะว่าชีวิตมันไม่มีนิมิตไม่มีเครื่อหมายอะไรก็รีบเร่งใช้ปัจจุบัน ในปัจจุบันที่จะให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทการข้ามาก็ดีใช้ประโยชน์มันไม่มาก็ดีเพราะเราก็ได้ทำสิ่งที่ดีงามมาแล้วเราจะเห็นว่าคำสอนระดับนี้จะมีอยู่หลายระดับระดับนี้เอาไปสู่มรรคนิพพานไปเลยนะจริงๆแล้วไม่ใช่สอนเฉพาะระดับนี้อย่างเดียวเพียงแต่ว่าระดับดึงก็คือปลุกร้ากระตุ้นเตือนให้เกิดความไม่ประมาทในการดำรงชีวิตอย่างน้อยที่สุดเนี่ย เรียกว่าไม่กลัวต่อปรโลกสงใช้คำว่าไม่กลัวต่อปรลโลกคือเราใช้ปัจจุบันสะสมบุญกุศลเอาไว้ที่ให้ความมั่นใจพอสมควรว่าจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าตายไปแล้วเราไม่ตกนรกก็แล้วกันเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนเป็นระดับของการปรุงแต่งพบชาติตกแต่งพบชาติให้ประณีตขึ้นทีนี้ถ้าหากเราสามารถมองสังขารตามแนวที่ทรงแสดงไว้ในนัตตลกนัสูตรนั้น คือมองเห็นว่าขันทั้งห้านั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเชตนของเราแต่ว่าใจถ้ามองเฉพาะตัวเราเนี่ยใจมันจะขวาอย่างแนวที่สรงแสดงสติปัฏฐานมาสติปัฏฐานที่เราใช้ อ, อกลมไปอยู่เนี่ยท่านทั้งหลายจะลองสังเกตจริงๆไม่ต้องไม่ไม่ต้องพูดตั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตตั้งธรรมก็ได้พูดสักอย่างก็ได้มันก็คือกันแหละ แต่เพราะสะภาพจิตของคนเนี่ยเมื่อมันผิดหวังตรงนี้จะฟาตรงโน้นเมื่อผิดหวังตรงโน้นจะฟาดตรงโน้นมันฟาดดยโดยเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นสามารถเป็นที่พึ่งควานักได้ลักษณะของจิตที่มันวิ่งก็เหมือนกับลิงที่มันวิ่งจับต้นไม้นี้แล้วก็ไปเหนี่ยวต้ตนโน้นจับต้นโน้นแล้วไปเหนี่ยวอีกต้นหนึง่งก็เหนี่ยวไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆจิตมันจะเป็นอย่างนั้นผมมีการแสดงว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีสาระแก่นสารอะไร ก็ก็หมดหวังในกายจึงเกตจะคว้าเวทนาก็โดยเข้าใจเวทนาเป็นตัวเป็นตนเป็นขอ ง, อ ย, งอยั่งยืนเที่ยงแท้ไม่ไม่แปรผันพอพอเห็นว่าเวทนาไร้สาระเช่นเดียวกันแกตก็จะค้าจิตก็สอนให้ดูจิตอีกทีหนึง่งแกตก็จะคว้าธรรมะแล้วจนธรรมะเราจะเห็นว่าจะกระจายหมดเลยไม่มีอะไรเหลือให้เกาะไม่มีสิ่งที่เป็นอัพยกฤตกับสิ่งที่เป็นอกุศลให้เกาะ แต่มีสิ่งที่เป็นกุศลให้กเกาะเราเห็นว่าเป็นแสดงอริยสัจวัยที่ตอนธรรมะเร แ, แสดงว่าทั้งหมดเดียพวกกายพวกเวทนาพวกจิตพวกธรรมะทั้งหลายเนี่ยไม่มีอะไรไปเกาะได้นอกจากพวกนิโรธกับพวกมรรคอย่างอื่นนี่จะไม่มีอะไรเกาะได้เลยแล้วในที่สุดจิตมันจะมุ่งเข้าไปสู่ตรงนั้นถ้าหากว่าจิต ไม่วิ่งนะก็ไม่แสดงมากก็ได้มันก็คือการก็ไปนิพพานด้วยกันเพียงแต่ว่าจิตมันวิ่งวิ่งมันก็ต้องให้เหมาะสมแก่คนที่วิ่งไปเกาะอยู่ตรงไหนไปเกาะที่พูดกายก็เน้นที่กายเวทนาก็เน้นที่เวทนาจิตก็เน้นที่จิตธรรมก็เน้นที่ธรรมแล้วในตัวธรรมนั่นเองจะเสนอทางให้เขาคล้ายๆกับเนี่ยคล้ายๆกันแนวแสดงอนุภุพิกถาเราเห็นว่า ใช้ทานใช้ศีลเป็นยานผานะไปเกาะสวรรค์แต่เสร็จแล้วก็แสดงเห็นว่าสวรรค์มันก็เกาะไม่ได้นะก็แสดงให้เห็นโทษของสวรรค์แล้วก็ลากไปเรืยไปถึงนิพพานก็มีที่เกาะนะมีที่เกาะที่ยึดที่แน่นอนมั่นคงได้แล้วก็จิตของบุคคลก็สงบกะเข้าใจโลกเข้าใจความจริงของชีวิตที่แท้จริงได้เพราะงั้นการการมองตรงนี้ก็คือมองตรรมามระยะที่ทรงแสดงแก่พระ อนิวัตคีนะฮะว่าโดยรวมนะฮะว่าขันห้านั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนถ้าขันห้าเป็นตัวแล้วเป็นตัวเป็นตนแล้วขันห้านั้นก็จะต้องไม่ไม่เปลี่ยนแปลงไปคือมาความเราสามารถสั่งได้เรามาสั่งได้สั่งไม่แก่สั่งไม่เจ็บสั่งไม่ตายสั่งไม่ปวดสั่งไม่เมื่อยได้นะแต่เพราะมันไม่ใช่ตัวใช่ตนขันห้าจึงเป็นไปเพื่ออาพาธเจ็บปวดทุกทรมานสารพัด เปิดปัจจัยภายในภายนอกไปแล้วรับสั่งว่าเธอทั้งหลายจะมองคันห้าเป็นยังไงคันหน้านิเชียงหรือไม่เชี่ยงกราบภิกษุปัญญเกียวกับถุนว่าไม่เชียงรับสั่งว่าสิ่งใดไม่เชียงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือปิ่นสุก็บอกเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เชียงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเป็นการสมควรไม้ที่จะมองว่านั้นเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเรา ปัญญวกีก็กราบทูนว่าโนเหตังพันเตไม่เป็นการสมควรเลยพระเจ้าข้านี่ถือเป็นการสอบไล่ครั้งแรกในพุทธศาสนาสอบปากเปล่าถึงข้อที่น่าสังเกตพระเจ้าไม่ได้แสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เลยแต่ปัญญวกีตันตอบได้ตันตอบได้ทางๆ ท, ที่ไม่ได้สอนนะตอบได้แสดงว่าเป็นวิปัสสนาปัญญาที่มันเกิดขึ้นพอเห็นอนัตตาแล้วก็เห็นในิุกอางทุกขังเอง เพราะจิตมันไขว้คว้าอย่างที่ว่าเนี่ยจิตมนจะคว้าอดีตว้าอนาคตจะเพลิดเพลินในที่ปัจจุบันจิตมันจะวิ่งอย่างนี้มันมันมันมันไม่แน่ะนะโดยสภาพของไหวเราเห็นชัดมากว่าจิตมันวิ่งวิ่งค่อนข้างถาวรนะมาความมาคนหนุ่มสาวที่กําลังประสบความสำเร็จจะเพลิดเพลินอยู่ที่ปัจจุบันคนที่กําลังประสบกําลังทํางานนะจะเพลิดเพลินอยู่กับปัจจุบันสนุกสนานเน้นความเจริญก้าวหน้าเติบโตในปัจจุบัน คนแก่นั้นจะวิ่งกลับสู่อดีตละเพราะว่าปัจจุบันท่านไม่น่าพิสมัยอะไรเลยนะพูดไปหนยเดียวก็ลอยโน้นสมัยท่านเป็นหนุ่มเป็นสาวท่านจะเบื่ออยู่ตรงนั้นจะอยู่กับอดีตจมอยู่กับอดีตแต่จะแม่นเรื่องอดีตจะเล่าเรื่องอดีตได้มันก็แผ่นเสียงเลยนะเล่าซ้ําได้เลยเป็นก๊อปปีไ้ไป้ลยแต่คนที่กําลังต่อสู้กับชีวิตนั้นจะไขว่คว้าอนาคตเราลองดูเด็กหนุ่มเด็กสาวเนี่ยจะถามให้หม ให้หมอดูดวงแล้วหมอดูๆแกจะถามอนาคตนะถามอนาคตเพราะว่าปัจจุบันแกนยังไม่มีอะไรแต่แกคาดหมายว่าต่อไปอนาคตกกควจะมีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะเพลินจะไหนเขาจิตมันก็จะตกจะตกอยู่ในการทั้งสามตามสมควรแกไวของบุคคลแล้วก็บางทีก็จมอยู่ตรงนั้นเลยนะจมอยู่ตรงนั้นเลยซึ่งกค่อนข้างมีปัญหา หมายความว่าแม้ปัจจุบันถ้าจมอยู่กับตรงนั้นก็จะไม่มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ความอบอุ่นภายในครอบครัวก็ไม่เกิดขึ้นนะฮะนานๆจะเจอลู ก, กระทีนึนองอะไรแต่ไรเนี่ยนานๆกลับบ้านออกจากบ้านตอนตีสามตีสี่แล้วกลับมาก็เที่ยงคืนอะไรแต่ไรเนี่ยจะอยู่ในลักษณะนั้นก็สรุปว่าทั้งหมดนั้นจะสร้างปัญหาด้วยกัน วันจะทรงสอนให้มองเห็นว่าทั้งหมดีนที่สุงมันมันเอาเรื่องไม่ได้ทั้งนั้นคด้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเล็วก็ดีแบบนี้ก็ดีอยู่ใกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีคด้ามันก็สับแต่ว่าคด้าทอนนั้นเองโดยความจริงที่แท้จริงแล้วไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราคือเราไม่ได้เป็นจริงแล้วก็ไม่เป็นตัวเป็นตนของเรา เราเป็นก็เพื่อไม่เป็นเราได้ก็เพื่อไม่ได้เรามีก็เพื่อไม่มีนะเราเกิดก็เพื่อตายมันมันมันเอาจริงจริงมันมันมีจุดที่จะจบคือไม่มีอะไรเลยเราจะเป็นอะไรก็ตามถึงจุดหนึ่งเราก็ไม่เป็นไม่เป็นจริงๆเพราะทั้งหมดมันเป็นเรื่องสมมติปัญญัตนี่เป็นการสอนระดับวิปัสสนาปัญญาไม่ใช่สอนระดับโลกสมมตินะฮะโลกสมมติหมายความว่าเป็นให้ได้เป็นอดีเป็นให้เป็นเป็นการเล่นละคร บทแสดงถูกกาหนดบทบาทแสดงยังไงต้องแสดงให้ดีแต่พอปรมัตยจะพูดอย่างนี้นั่นคือความจริงหีืแท้จริงเพื่อจะให้ถ่ายถอนปล่อยวางแก้ปัญหาที่ยังไม่เกิดได้นะฮะป้องกันปัญหาที่ยังไม่เกิดได้แต่ว่าทำทำยังไงจะจะจะไปยิงได้ยิงได้ไกลมันต้องยิงได้ไหวด้วยเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตเราไม่ให้ ไม่จะรอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนให้แก่ก่อนเดี๋ยวจะค่อยเขาวัดมันมันไม่ ไ, มไดเ้เราไม่รู้เราจะอยู่ถึงตรงนั้นหรือเปล่าเพราะนั้นต้องยิงให้ไหวหว่ยิงเป็นยิงเลยเราจะเห็นว่าแนวแนวคำมาวมะไหวเนี่ยจึงใช้ทุกเรื่องอย่างเช่นสมมุติว่ากุศลเจตนาต้องการที่จะให้ทานมาเกิดขึ้นรีพ่ายเลยรีพ่ายเล ย, ย, เลยะเรียกว่าอะไรจำ น, นวนบาลีได้ใช้ดีครับว่าตุริตะตุริตังสีฆาสีขัขงเร็วเร็วรวดรวดเร่ง เพราะเลยเพราะว่าความคิดที่เป็นกุศลพอเกิดปั๊บเนี่ยมันจะถูกดับด้วยอกุศลไม่เป็นการต่อสู้สนามตรงนี้เราแพ้อยู่ตลอดโอกาสชนะมันมีน้อยนะท่านท่านหลายลองสังเกตใจตัวเองจะจะเห็นได้ชัดเพราะมีกุศลและเจตนา เ, อเยอะที่เราคิดจะทําความดียแต่เราทําไม่ได้ทําไม่ได้หรือไม่ได้ทําหรือทําได้น้อยหรือขอต่อรองรอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนไว้วันหลัง นะค่อยเอาต้นเดือนตอนนี้เงินไม่พอจ่ายผมนึกถ้าทำไม่ได้เห็นนะฮะนีจะ่จะมีลักษณะของการต่อสู้ในสนามตรงนี้เพราะว่าทรงแสดงสภาพของจิตเราพอคุศลและเจตนาเกิดขึ้นจะเราต้องการจะเสียสละหรือต้องการจะช่วยคนเนี่ยความเหม็นแก่ตัวมันจะเกิดขึ้นมาเลยแล้วจะหยุดจะมาในรูปมิตรปลอประโมปลุกปลอบใจให้เหตุผลหยดย้อยเรียบร้อยนดฮะลงจะตางมาแล้วใส่กระเป๋ากลับคืนเรียบร้อยหรือไม่ต้องทับ นั่นคือการต่อสู้ในในจิตใจของเราเพราะงั้นท่องหมดพรู้เจ้าจึงเร่งหมดเร่งเวลาขณะนั้นเดี๋ยวนั้นเวลานั้นทำเลยกุศนเจตนาเกิดปั๊บทำไปเลยเพราะถ้าไม่ทำแลวโอกาสจะทำเนี่ยบางทีไม่มีแล้วเช่นเช่นบางทีเช่นพวกพวกมัวอะไรเลิกเลิกผานาทีอยู่เนี่ยต้องเล่าถึงเขาแต่งงานว่าเจ้าบ่าวก็รอเวลา รอเวลาที่จะไม่ใช่ควจะสาวนะฮะควจะสาวก็รอเวลารอรอเลิกนะฮะผลท้ายทางทางโน้นก็โรอไม่ไหวนะก็จัดแต่งงานไปเลยตัวเองก็เลยไม้กันมากไม่ใช่ไม้กันมากไม้อะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ท่งแสดงว่าประโยชน์นั้นเป็นเรื่องของประโยชน์ประโยชน์เป็นเรื่องของประโยชน์เมื่อมีความพรอบทําเลยดวงดาวในท้องฟ้ามันทําอะไรใครได้ดาวก็ดาวนะฮะ ดาวทำไมมาเจาะจงมาเล่นงานเราอะเวลานี้ก็บอกอะไรนะกำมังบูชาพระเสาต้องบูชาพระเสาต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้คนเกิดวันเดียวกับเราเยอะในโลกอะไม่ต้องกลัวหรอกนะก็สะแสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของอุปท า, านกันไปคือสร้างแล้วสร้างแล้วก็ยึดกันไปแต่ถ้าใจเรายึดเราเป็นทุกจริงนะใจเรายึดเราเป็นเป็นทุกจริงแต่ไม่ใช่ทุกเพราะดาวพระเสาแต่เป็นทุกเพราะใจเรายึดพระเสา เรากลัวพระเสาร์ขึ้นมาเราก็พิโต ก, กังวลห่วงวงใหญ่ไปดังนั้นท่านท่านก็สอนให้ยิงได้ไวยิงได้ ไ, ว, ไ, ดไวก็คือพยายามเนี่ยพยายามให้รู้อระะยิยสัจให้ไวขึ้นก็เรื่องรู้เรื่องเรื่องทุกจนปล่อยวางทุกรู้สมุทยัยจนละสมุทัยนะครับรู้ใโรอจนสัมผัสใโรอแล้วก็รู้มากโดยการดําเนินชีวิตไปตามมากพูดง่ายๆก็หมายความว่า เอาชีวิตมาอยู่ในมรรคเสียเลยที่เป็นทางปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงหมายความว่าเส้นทางในการดําเนินชีวิตของเราก็ให้ประกอบด้วยหลักของอริยมรรคในในภาคปฏิบัติ้เราสังเกตอริยมรรั้นจะเรียงผิดกศีล ก, กับใจติดขาอริยมรร k จะเรียงปัญญาศีลสมาธิแต่ใจติดขาจะเรียงศีลสมาธิปัญญาตจติดขาเป็นเรียงแบบบันได ในอารมักนั้นจะเรียงแบบหมุนเป็นวงกลมหมายความมันยังไงหมายความว่าทุกเรื่องมันต้องเริ่มในความเห็นชอบก่อนถ้าเรายังไม่เห็นชอบแล้วเนี่ยความคิดชอบมันเกิดขึ้นไม่ได้ความคิดชอบความความคิดชอบกับความเห็นชอบจึงเป็นปัจจัยของการในการเป็นอาการของปัญญาเพราะเราเห็นชอบจึงเป็นในคิดชอบเพราะเราคิดชอบเพราะเราเห็นชอบเห็นว่าความเห็นชอบจึงถือว่าเป็นฐาน เป็นฐานที่จะดําเนินไปสู่วาจาชอบการทําการงานชอบเลี้ยงชีพชอบถ้าเราไม่มีความเห็นชอบที่นี้ปัญหาก็าเห็นชอบในระดับในเห็นชอบระดับศรัทธาข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้เราที่จริงเรายังไม่เคยรู้อะไรมากนักหรอกนะเราใช้เชื่อพระพุทธเจ้าออ ก, ก็ถือว่าเป็นความเห็นชอบดังนั้นเราจรึงพบว่าสา ม, มาทิฏฐิบางทีในเรียกว่าศรัทธาในองค์ธรรมจะเรียกว่าศรัทธา เช่นว่ากรรมสกตาศรัทธาบางทีเรียกว่ากรรมสกตาสมาธิิหมายความไงหมายความใช้แทนกันได้ถ้าใช้ศรัทธานําก็หมายความว่าเราเชื่อที่มาของสิ่งเหล่านั้นถ้าใช้ปัญญานําเราก็เชื่อหมดทั้งสองอย่างเราพิสูจน์ผ่านการพิสูจน์ทดสอบอย่างที่คือยกตัวอย่างให้ฟังว่าเหมือนกับเรากินยาโดยเชื่อหมอก็แสดงจริงๆเราศรัทธาที่หมอเราไม่ศรัทธาที่ยา ปัญญาเกิดไหมปัญญาเกิดพิจารณาที่ไหนพิจารณาที่หมอไม่ได้พิจารณาที่ยาเพราะยาเรายังไม่รู้เลยแต่เรารู้ว่าคนนี้เป็นหมอแต่นั้นเองเราเชื่อว่าเป็นหมอทางนี้เมื่อเขาส่งยาให้สั่งยาให้เรากินเลยแต่พอเรากินแล้วเราสัมผัสผ ล, ผลของยาเราก็มีศรัทธาทั้งหมอทั้งยาปัญญาเราก็พิจารณาได้ทั้งยาทั้งหมอเหมือนกันดังนั้น การดำเนินชีวิตไปตามหลักของอริมักจึงต้องเริ่มที่สมาธิิคือปัญญาเห็นชอบมันจะมองสิ่งทั้งหลายเป็นระบบเป็นกระบวนการไม่ได้มองประเดี๋ยวประเดาวมล้วก็เหมือนชีวิตเรามันเป็นกระบวนการชาติประเทศมันเป็นกระบวนการการจะมองปัญหาระยะใดระยะหนึ่งนี่ไม่ได้แต่ก็ต้องมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาว เป็นการวางแผนเพื่ออนาคตไปด้วยที่จึงเป็นการวางแผนเตรียมรับนะให้คนอื่นเข้ามาต่อเราไม่ได้ต่อแล้วเราตายก่อนแต่ก็ต้องเตรียมแผนไว้วางเป็นพื้นฐานเอาไว้เป็นการสืบสารกันไปโดยโดยลำดับปัญหาอะไรควรเร่งด่วนก็ทำโดยเร่งด่วนทีนี้ปัญหาสำคัญว่าการจะรู้อริยสัจสี่นี้มันแม้จะมีสี่จริงๆเนี่ยเราปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นเอง เราปฏิบัติเฉพาะมาร์กเราไม่ต้องมายุ่งกับทุกสมุทรไทยนิโรธอะไรหรอกนะปฏิบัติตามมาร์กแล้วมาร์กจะละสมุทรไทยจะดับทุกข์จะสร้างนิโรธให้เราเองมันก็อย่างที่เคยยกตัวอย่างเหมือนกินอาหารเหมือนกับเปิดสวิตไฟเหมือนกินยานะสิ่งที่ต่อเนื่องกันมาจากการกินยาจากการเปิดสวิตไฟการรับประทานอาหารนั้นที่จริงเราไม่ได้ทำนะอาหารมันทําให้แสงสว่างมันทําให้ยามันทําให้ เป็นปฏิกิริยาที่ต่อเนื่องคล้ายๆกับเราปลูกพืชเราก็ทําได้แค่ปลูกพืชนะฮะเราออกดอกออกใบออกผลออกกิ่งไม่ได้แต่ว่าพืชเหล่านั้นจะแตกทั้งหมดนั้นสืบเนื่องมาจากการปลูกของเราเพราะหน้าที่ของเราก็คือปลูกคิดสูตรง่ายๆว่าหน้าที่ของอการปลูกพืชเป็นหน้าที่ของคนแต่การให้ผลเป็นหน้าที่ของพืชการเปิดสวิตช์ไฟเป็นหน้าที่ของคนแต่การ ให้ผลเป็นแสงสว่างนั้นเป็นหน้าที่ของไฟมันมาคุณละหน้าที่กันเพียงแต่ว่ายิงอาศัยซึ่งกันและกันเพราะแนวอริยสัจที่สงสอนให้ยิงได้ไวนะคคือพยายามที่จะรู้อริยสัจให้ไวแต่ในแนวของการปฏิบัติที่ยิงเราจับตรงไหนก็ตามนะฮะจับที่ทุกข์ก็ได้จับที่สมุทัยก็ได้จับที่โรคก็ได้จับตมากก็ได้มันก็เทือนถึงหมดอ่ะ มันก็จับคนจับต้นไหนก็ได้มันก็เถือนหมดทั้งตัวนั่นแหะจับต้นไม้ต้นหนึ่งมันก็เถือนหมดทั้งต้นนั่นแหละนี่ก็คือเรียกว่าเป็นปัจจัยที่อิงอาศัยซึ่งกั น, ลกกนและกันหลักที่ทงปลุกราวให้ตื่นตัวขึ้นมาเพราะว่าการจะทําลายค่าศึกได้เนี่ยมันต้องทําลายที่ตัวอริยสัตเราต้องยืนอยู่ที่มาร์กเราต้องมีมาร์กนะฮะหมายความว่าเราต้องยืนอยู่ที่มาร์กเห็นไหม ชัยภูมิก็อยู่ที่มัรฐานะกุศโลจจโหติก็คือสัมมาวจาสัมมา ก, กรรมันตศัมมาชีวดูเรปาติยิงได้ไกลมันคือสติปัฏฐานคือสัมมาสติสัมมาสมาเอสมมาสติสมาทิฏิสม า, ส, ส, ม า, ส, มาสังกัปปะยิ่งได้ไวมันก็เป็นหมดนะเป็นหมดทั้งทั้งมกกัดจนถึงจุดหนึ่ง หมายความมาจริงๆสามข้อแรกเนี่ยคืออริยมรรตนะแต่เพียงเป็นการแยกแสดงเฉยๆเป็นการเป็นตัวอริยมรรตทีเดียวก็ทำลายคุ้มประมัค่าสึกได้กิเลส ท, ทั้งปวงมันรวมที่อวิชชาเพราะงั้นขุนศึกใหญ่ของฝ่ายกิเลสคืออวิชชาทนั้นเองถ้าจับโจรจับหัวหน้าได้จับอวิชชาได้ทุกอย่างจบ เพราะความโลภ ก, ก็ดีความโกรกก็ดีทุจริตแข่งดีทั้งหมดมาจากอวิชชาทั้งหมดอวิชชาจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ในความเป็นอวิชชาท่านจะเห็นว่ามันก็กลับมาที่เดิมนะเราเห็นว่าอวิชชาก็แปดประการคืออะไรไม่รู้ทุกไปรู้สมุทัยไปรู้นิโรธไม่รู้มรรคไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ท้งอดีตอนาคตไม่รู้กฎปัจจักาการหือกฎปฏิจจสมบัติทั้งหมดคืิอะไรเกิดอะไรซะแปดจริงๆก็คือสี่นะฮะ แต่ว่าทั้งแปะทั้งหมดเนี่ยเอาก็จริงเราก็ปฏิบัติแค่ในอริยมรรคเมื่ออาริยมรรคเขาเกิดเขาก็จะสร้างตัวนิโรธตัวนิโรธนั้นจะไปสลายตัวสมุทยัยสมุทัยถูกสลายความทุกข์ก็สลายตามไปคล้ายๆกับเราหุงอาหารนะฮะเราลดแก๊สลงเนะี่ยความร้อนข้างบนก็ลดลงเองเราดับแก๊สไปเดี๋ยวข้างบนก็เย็นอันนี้ก็คือก็คือสิ่งที่ที่เราเห็นอยู่โดยโดยธรรมชาติ เป็การสอนในเห็นว่าภายในจิตใจของเรานั้นคือสนามรบที่เราจะต้องต่อสู้กันตลอดชีวิตแล้วก็ยืดเยื้อยาวนานสาบใดที่ขั้นสตัวใหญ่ที่สุดคือวิชายังมีอยู่ภายในใจเราก็ต้องถูกเวียงถูกผลักใส่สึกใสไปตามอาหน้าของวิชาอยู่ตลอดปัญหาสาคัญว่า ทำยังไงจึงจะทําให้เรามาอยู่ในในคันลองของธรรมก็คืออรอยิยมรรคของแปดประการในที่นี้ที่จริงเป็นการแสดง อ, ร, องนะ ร, ริยมรรคนะฮะเราจะเหนาสามข้อเกืออรอยิยมรรคเพียงแต่แยกแยกแสดงเพราะอะรอยิยมรรคนั้นจะมีลักษณะเหมือนอะไรเหมือนกับตัวยาตัวยาแต่ละชนิด ต, ตัวยาแต่ละชนิดในที่จริงเขาก็จัดโรคได้ โปะระเพชาก็รักษาโรคได้นะกะเทียมรักษาโรคได้พริกรักษาโรคได้อะไรแต่ไรพวกสมุนไพรต่างหลายแต่และตัวในจริงก็รักษาโรคได้ในสายของเขาที่เขามีคุณสมบัติขจัดโรคตรงนั้นแต่บริโรคมันมีเงื่อนไขมีปัจจัยบางประกอบเยอะเพราะงั้นก็ต้องประกอบยาหลายๆส่วนขึ้นมาก็เพื่อใช้คุณสมบัติ ข, ของตัวสมุนไพรแต่และตัวนั่นเองก็ไปขจัดโรคในสายของเขาเอง ผนอริมักจะมีลักษณะอย่างนั้นอริมักพอแยกตัวามาแล้วเนี่ยแต่ละข้อที่จริงเขาเอำนวยคประโยชน์ให้เขาสัมมากรรมันตะสัมมาวาจาสัมมาชีวะนั่นเป็นฐานของสังคมเลยหมายความถ้าโลกคนอยู่ในตรงนี้ได้นะคนอยู่สามสั ม, มมานี้ได้นะสามสัมมานี้ได้ก็คือระบบศีลธรรมจริยาที่คนจะอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขระบบประชาธิปไตยจะไปได้ไกลไปได้ดีไปได้สวยเลย เพราะนั่นคืออะไรคื อ, ค, อ, ค, อคือเรื่องสิทธิและหน้าที่มีการเคารพสิทธิของการและการไม่ล่วงละเมิดกันทุกคนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองเคยมีหน้าที่ยังไงก็ทำหน้าที่กันไปในการทำหน้าที่ก็มีการประสานเกื้อกูลกันกลายเป็นครอบครัวกลายเป็นสังคมกลายเป็นประเทศชาติลองสังเกตนะฮะว่าว่าว่ากรอบของประชาธิปไตยที่จริงคือสามมาติ เป็นอาการปรากฏแต่ก็ต้องมีพื้นฐานอยู่ที่ความเห็นชอบนะความเห็นชอบความตันติชอบจะอยู่ระดับหนึ่งไม่ใช่ถึงก็ออกมาเป็นพฤติกรรมพฤติกรรมจริงๆก็คือสะท้อนทางกายทางวาจาทางอาชีพนะฮะเป็นเศรษฐกิจเป็นสังคมเป็นการเมืองเป็นการทหารเป็นอะไรแต่ลราจะเห็นว่าจะอยู่ในแวดวงตรงนี้แต่ว่าพวกอริมักอีกห้าข้อไม่ใช่อีกอีกห้าข้อนะฮะเป็นตัวคุม หมายความว่าสาัมมาวายามะก็ระดับหนึ่งะสัมมาสติระดับหึงสมาสมาธิระดับหนึ่งสมาธิสติสมาธิาังกะระดับหนึ่งระดับที่จะไม่ละเมิดระดับที่คุมมีเหตุผลมีสติปัญญามีสติปัญญามีความเพียรพยายามที่จะคุมแต่การปรากฏที่สัมผัสกันได้ก็คือการแสดงของทางวาจาทางกายทางอาชีพจะอยู่ในกรอบของอริยมรรค ช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขได้แต่ว่าตัวตัวคุมจริงๆมันอยู่ที่ความเห็นชอบกับความคิดชอบแต่ตัวคุมให้มันเกิดการพูดชอบทําชอบเรื่องชี่ชอบมันอยู่ที่ความเห็นชอบกับความคิดชอบปัญหาเหล่านี้จึงไปเกี่ยวเนื่องดยความคิดเรื่องของบาปเรื่องของกรรมด้วยเวลานี้ที่ที่่น่าขวงก็คือว่า คนเราใช่แนวปัจเจ ก, กชนผมมีความเห็นอย่างนั้นผมก็้จอย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นผมคิดอย่างนั้นผมถือย่ออย่างนั้นมันมันเป็นผมไปหมดเพราะฉะนั้นไอ้ทฤษฎีทางวิชาการทั้งหลายที่นำเสนอจึงมีน้ำหนักเบาเพราะที่ไปที่มา น, นไม่ชัดเจนที่ไปที่มานั้นมีความต้องการมากว่าต้องมีความขลั่งมีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่งั้นเราไม่ต้องไปเอาอ้างพุทธศาสนาสุภาษิตอ้างพระบค์ราชวสตร์เอานะเอานายกรนายขอนายอะไรก็ได้ออกมาพูดมันไม่มีทางเลยพูดพูดให้คนอื่นประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่มีทางหรอกนอกจากว่าเขาจะศรัทธาในที่มาของคาสอนตัวผู้สอนนะฮะเขจะต้องศรัทธาในตัวผู้สอนด้วยถ้าไม่งั้นจะต้องใช้การเวลามากใช้การเวลาเป็นร้อยร้อยปีนะฮะคําพูดของคนนั้นจะเป็นสุภาษิตที่คนนิยมยกย่องได้ คล้ายๆกับสุภาษิตของสุนทรพูนะแกตายไปตั้งนานแล้วนะคนยังออามาพูดกันตอนแกสอนอยู่เพื่อนไม่เชื่อหรอกพอสุนดรผู้ก็เขนเรือลอยก็ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรไม่ไม่ประสบความความสำเร็จในการดําเนินชีวิตมันก็เอาเป็นแบบฉบับให้ได้เอาวิถีชีวิตการดาเนินชีวิตของท่านก็ท่านก็ไม่ควรประสบความสำเร็จอะไรทั้งหลายแต่มีปัญหาลุ่มๆนนนนอยู่ตลอด แต่พอเมื่อตาตายไปแล้วภาพรักตรงนั้นมันไม่มีเราไม่เห็นแต่เราเห็นเฉพาะคดคือคำพูดของท่านภาพมันไม่มีภาพไปทางลบมันไม่มีเพราะเราไม่เห็นท่านนะแล้วเราก็อ่านเราก็ดื่มดำ่ำศรทัทธาเราก็ถูกปลูกฝังมาเรื่อยเแต่ถ้ามองย้อนกลับไปที่ท่านปัจจุบันเราจะคิดเป็นระบบละนะปัจจุบันเราคิดได้แล้วเออท่านท่านก็เคยพลาดท่านเคยฟังท่านสอมาจากบทเรียนนั้นท่านก็เลิกได้ท่านเลิกดื่มเหล้าได้ท่านเลิกปัญหาได้เพราะฉะนั้นตอนตอน ป, ปลายท่านก็ดีถ้าก็ สุขเราก็เห็นเป็นรูปชีวิตในลักษณะที่มืดมาสว่างไปไปมองที่ที่ภาพซึ่งซึ่งเราเราพยายามมองในแง่ดีนะพยายามมองในแง่ดีก็จะเห็นมุมมุมตรงนั้นก็จะเพิ่มพูนศรัทธาภาษาถะขึ้นมาได้ก็หมายความว่าคำพูดของท่านก็จะมีน้ำหนักขึ้นมาเรื่องทั้งหมดจึงจึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าจะให้ชนะอย่าไปคิดชนะคนอื่น เอาชนะที่ใจรบกันดีใจแล้วให้ชนะกันภายในใจตัวเองเป็นสุดยอดของการชนะเพราะการชนะคนอื่นนั้นเป็นทางมาของเวรของภยัยของอันตรายไม่มีใครชนะได้ตลอดไปนะคนที่ชนะก็คือคนเ ต, ตรียมตัวที่จะแพ้แต่นั่นเองแต่ถ้าเราชนะใจตัวเราได้แล้วเนี่ยก็ยชื่อว่าเป็นสุดยอดของการชนะแล้วก็เป็นผลตรงจากการ เึป่ปฏิบัติเราค่าศึกชัดๆจริงๆไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากภายในภายในใจของเรานะวันก่อนเนี่ยอา่านหนังสือพิมพ์ที่สหรัฐอเมริกาเขาสารวจว่าอุบัติเหตุหรือว่าบาดแผลในตัวค น, นมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากใครทำปรากฏว่าสมำรวจแล้วนี่ตัวเองทําเองบาดแผลเยอะแยะไปหมดนี่ตัวเองทําเองแต่นั้นแล้ว่าเกิดที่ไหนมากเกิดในห้องน้ำนะฮะเกิดในห้องน้ําเกิดในครัวเกิดที่บันไดมากที่สุดเกิดที่บ้าน เกิดที่บ้านตัวเองแล้วด้วยการกระทําของตัวเองปัญหาทั้งหลายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราชนะใจตัวเราเองได้เนี่ยปัญหาจะลดลงไปจํานวนมหาศาลจนถึงกับไม่มีปัญหาไปได้ในที่สุดสมมติวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นทนิณธนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูนในธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ